แปลงประสาทให้สโสกาทิเมีอของสโสกาทิแล้วไม่ใช่อามนุษย์ในสมโพทิเวทเนี่ยเอามาจากทวีอื่นนั้นประการหนึ่งแล้วก็มีแม่น้ำลำครองหนึ่งสองอย่างสามมีเศรษฐีหนึ่ง ม, ม่แม่น้ำลำครองหนึ่งไม่ก็ศาสตร์ปกครอง ด้วยทศพิธลาจะทำเดิงแล้วก็ไม่แพทย์เดิมมีแพทย์นะกุมารพัฒตัวสำคัญในครั้งนั้นกุมารพัฒกุมารพัฒนอกนด้าดะเมืองเวสฤษีเมือง อะไรนะเป็นที่สองที่สามแต่ไม่นานสมัยนะั้นเป็นกษัตริย์ปกครองอยู่เรื่อยๆ เ, เรื่อยเนี่ยกษ<ม><ม>ัตริย์พกพระ อ, องค์ต้องน้อนนมัสการองค์สมเด็จพระพุมีพภาพรามเดสมเศรษฐเดกษัตริย์ดเนี่ยเขาเรียกว่าแพทยพรามสูตร ลุ่งเลืองมากลุ่งเลืองมากในกรกุงราชกระหัสนี่บ้านของพ ญ, ญาพิมศานระทำด้วยไม้นะั่นโสกเทเทนะ่ะพระเอ็นนะ่ะทำด้วยเลสนะนั่นเหยาตานพระยาพิมสาลพาพระเจ้าสตรองกุ ม, มารไปในคราวนั้นนะ่ะ พระยาสัตโลนะตกพระทยัยเธไปเห็นหนะ้าปราสาทของเสถียมันแววมันของประเนิดมาจากบางสวันมาวาชนะของสมเด็จพอ่อพญยาภาษาในวาชนะน้อยเงิ น, นปราสาททำด้วยไม้เงิ น, นสกัทเทหนะ้าเธอได้บำรุงอาุ้ ด, ดเจ้ามาได้ผ่านมานะ่ เดคานอภาพมากคือสดนะมนุษย์คนไหนที่ไปทำไม่ได้ทำประสาได้เธออยู่นะนั่นะต้องพะเอ็นลงมาเองนะให้วิทยุกรรมมาเองนะแปลง<ม>แล้วก็เมียเธอ น, นะโอกาสได้เธอเนะเอาไม่ใช่อมนุษย์นะมนุษย์เป็นสปกปรกเนะ่ยเอา ม, มาจากทวีปอื่นนะ<ม>แล้วกนะ็ เบียน่ะนะ่ะเอามาหรือเช่นนั้นใช้ไฟฟ้าก็ไม่ได้ใช้ไฟธรรมดาก็ไม่ได้นางนัะนะ่นน่ะนางตาออกนะมันก็ทบของหยาบต้องใช้แก้วนะแก้วแสงแก้วท่เนี้แถบนั้นพริยาปริสารไปนาะในประวัติในประกายประดก เห็นทาสีเป็นลับภรยาเพศสารภรยาสารสําคัญว่าเป็นทิศ เ, เป็นเมียของโกสกอาทิถีนะนั่นน้อมรับนะเขาบอกว่าไม่ใช่ในทาสีนั่นแล้วอีกการนะว่านนะ เ, เมียโกสกอาทิถีมาพัดเวให้พระเจ้าให้ภรยาเ้ศสารในครั้งนั้นนําตาของนาง ออกนะนั่นะออกเพราะอย่างไรนะปริยาเภสานนะเธอเป็นคนสกปรกนะนั่นะประเทศบ้านนะศของเราสุปกปรกแต่ว่เมียของเสกสกัดเทพมาจากทวีตอื่นนะันะนร่างกายประเนนะินะน่นะแล้วได้กลิ่นนะ่ะหอมของพริยาเภสานนะ่ะมีกลิ่นเหม็นน้ำตาออก พระยาพิมุสานาะถามโสกัดิถินะเมียของเธอนะททำไมร้อ ง, งหงอยร้องไห่นะดูเหมือนข้าพเจ้าจะมาลบเอาสมบัติใช่ไหมนั่นโสกัดิถินะ่าผู้เป็นสามเณโทนะพระยาพิมุสานว่ามาพัดเวเวให้พระองค์ในสวยพระทหารในครั้งนี้นะ ข้าโ พ, พกศสืษาของพระ อ, องค์นะ่าไม่กลินนกล่นเหม็นฮะกลิ่นเหม็นะเพราะงันตาภรรยาของขา้าพเจ้าไม่ใช่มนุษย์เลยคะเป็มาจากทวีปอื่นนะกลิตละเอียดมากลายกายละเอียดมากนะได้กล็นนะ่นหน้าผ้าโพกหัวของของอของพระ อ, องค์นะนะ้นำตาไหลนะ <c oughs> เป็ น, นสตรีที่ปันนิที่ต้ไฟได้ไม่ได้นะนั่นต้องใช้แก้วนะแสงแก้วเนะี่ยอาหารก็ต้องออกมาจากทวีปอื่นนะักินหน้าปทหารอาหารในประเสมพูรทรเทเวปนะอาหารหยาบนะคนหน้าทวีปอื่นก็ต้องออกมาจากทวีปอื่นเอาใช้แก้วนะั่น อาหารประเนีดเดิ น, นบงกุศลเธอนะ่ะได้อุปถา พ, พระพุทธเจ้ามาองค์ก่อนผ่านมาแล้วนั่นและยังพรจากพระพุทธเจ้าองค์นั้นเะด้วยนะนั่นรูปว่างจึงประเนีนะนั่นเชิงก็อแต่ไม่ศีลไม่กอฏายาธรรมทวีบอื่นนะ ถ้าอุดอครคุรเทพนะอุดพบภวิหารเทพนะมาจากทวีปอื่นเม่ได้พูดในพระกายไปดกนะเชิญท่ทั้งหลายฟังแทดเบเร่พระาจะได้สวด ว, ว, วิวิวิวิปริตตะมงคลนะฟังแทดเบเรนะฟังแทดเบเรนะให้จิตส ง, ง, งบนะนี่ ไม่เกรยุทนั่นนะยังไม่วัดเดินรมน้ำทะเลเงินนั้นะนะเขาไก่นะไปปล่อยนะเขาเรียกาไก่อปัปลเลยเงินไก่นั้นนะอปัปเลยนะคำหมายความว่าหมาถึงทนะทีข่ขันก็ขันนะนะขันขึ้นนะเขาเรียกไก่อปัปลเลยเงิน แม้ที่นี่เขาไปปล่อยที่วัดนะที่วัดนะไก่ตัวนั้นนะเวลาเช้าออกจากต้นไม้มาหาเจินเวลาเย็นนะบินขึ้นต้นไม้นะั่นนอนนะั่นระวงนั้นพระนาะยวัดนั่นพระสมพานออกกติกา ให้เวลานะปฐมยามนะพวกเธอทั้งหลายนะสาวทยายนะพุทธวจัจ น, นะนะั่นะธรรมจักน ะ, นะนะะนั่นแะล้วเทอานั้นนะปฐมยามณกลังคนนะนนะพราะสาธยายพุทธวจน์นนัะ่นะแม่ไกนะ่น้าไก่ตัวนั้นนะไม่ใช่ไก่ตุเมียนะไก่ตัวผูนะออยู่ในต้นไม้นะ ได้ยินเสียงลหัสนะพระสวัสยาในครั้งนั้นครั้งนั้น<ม>เริ่มอกเริ่มใจทุกเส้นขนนะนั่น<ม>ดีอกดีใจมากมมมแล้วเธอนี้ยนะวางเท้าลงไปอะตกลงมาตายนั่นความตายอันนั้นนะ่ะไก่นะเป็นสัตว์เดรัจฉานนะนั่น เปตนะสัตวธรรมแทสนามบริณนะพระที่สวดนะนักำกายนะออกจากสัตว์ใดๆฉันไม่เกิดเป็นเทวโาดอกเทวนะเป็นเทพในเดาวดึงนะนี่ในละยกอัทหัวมาถิ่นใ้กล่าวคือแล้ววางพระอาทิตสวดไทยสวดมนต์นะแทพบรินะ ให้ทำความสงบนะนั่นให้ปลืม อ, อกปลืมใจนั่นเหมือนกระโดดเจีไก่ตัวนั้นนั่นไม่ละระยะนืนะ้น่ะหงตั้งใจฟังหันไปสองคนอันตรายมาถึงแล้วศึกษากันได้ส่วนท่านอาจารย์ชอบเนี่ไปคนเดียว น, นมะมาพม่าเนี่ยเดินเดินเดินผา หาภูเขาภูเขามาันลกันฝนตกน้ำเบินตามน้ำจมแฉมจมแฉมมาสมัยนั้นไม่มีไทยขายโค ม, ม้าเมื่อไก่ตายจริงลูกชานกันมันไมน่เทวดาใสบาทท่านกจนขอบองค์เดียวเขาสงสาร มาแล้วอดข้ามาสองวันแล้วกูตายแล้วม <c oughs> ันแทบเนาะมาส่บาดอันตรายมากที่สดขันเกนเติดท่านเกนแหวนแน่นะครว่าเสือโผมางูโผมาอันตรายพี่ก็้งก่อยนะผีพงข้างใช่ไมบิดใส่ในคราวนั้นเนี่ยท่านทั้งสองได้ศึกษาการรักษากันนะท่านยังชอบ ด, ด้วยเดิเนคนเดียวนะ เดินก็เดินคืนให้ด้วยก็เดินกัาวันไม่ได้ร้อนทาบท่านไม่ให้เดินคืนไพนอพพวกพม่าเนี่ยเอาไว้แล้วตังตังเอาไปขายนเมืองไทยนะข้างป่ามันแทงนะแทงก้นมัวนะหักหมดนะนั่นครั้งเดง ที่ข้างนา้นดังเคยเนี่ยพมาเนี่ยเขาแรมถ้านอนแรมอยู่อเดินท่ า, านอาจารย์สอบเดิน จ, จ, จอมจอมจอมไป น, น, นะเขาหกเนะรอนะครับว่าเป็นอันตรายฮะล้วก็เห็นว่าเป็นคนแล้วพอดีนอมเขาคืนหนึ่งเขาเรี่ยงคืนหนึ่งพอดีเดินมาเพระพอมาเนี่ยนั่นเขานะัง คือเขาเนี่ยเนีทหารอังกฤษมาบุ่นวายอยู่ในพ ม, ม่าเนี่ยพวกพาม่าเอาทหารจาย์ชอบเข้าไปชอนในภูเขาเ mm. กือบตายใช่ไหมนั่นนะเกือบทหารอังกฤษยิงตาย mm. วเวลคือปล่อยไว้ภูเขาตั้งแต่ภูเขาพ ม, ม่าน่ะเดินรับบ่าไปถึงประเทศไทยเนี่ยไม่ไดังสองสามคืนเนี่ยอืม mm. สองคืนแต่ท่นน า, นนนนทนานอาจารย์แพทย์น่ะยังดีอยู่ท่านอาจารย์อนศรีดีอยู่นี่ก็มีเงนเวลาไปไม่ถึงบ้านเนียเอาห่อมไม้มาเผาไฟกินพอพระทั า, าทงตัวเดินข้ามไปหาท่านจันมัน อันตรายที่สุดท่นจะชอบเบอร1หนึ่งคะเมื่อท่านจนเหลวแห่เตยในเบอรสองแ้่านจันเหวแห่งตยในมียานมียานผีเหมาลูกวันชินนั้นชินนั้นผีนรับบรรดานี่ฝนตกมาอยัางนันให้ลงพัดมายัางนันท่านศึกษากันเนี่ยท่านจะชอบนึกเปลี่ยวเที่ยวไปเดินคนเดียวกลางคืนอันตรายมาก ก็มาถามชุดก่อนชุดก่อนนะเหลือตายเหลือตายตายมากที่สุดเหลือตายที่มีชีวิตอยู่นะนั่นเหลือตายไข่ปลาหนึ่งนั่ให้ลูกเมืองเรียนนี่นะไม่มียาในสมัยนั้นหาหาไม้มาฝนกันกินออตายเอาตายเอา แค่นั้ น, กก น, าานแหละภาคบัาเดิมเนี่ยพาทุ่งนาเขากำลังเกี่ยวข้าวอยู่ไงพาเขาทุ่งนา่ายิโยมลงไห้นะว่าพวกนี้ยังต้องไปตาย อ, องใหะ้ะแล้วตายจริงๆ้ว่อืมน้อยตัวดีสดที่ยังมีชีวิตอยู่พผ่นกางเขาเนี่ใครๆนี่ชุดกอนะสมัยนี้ไม่ได้ มันเป็นคนดงคนา น, คนางคนนางคณหญิงคุณลุงบินก็ได้รถยนก็ได้แต่่อ น, น้องไม่ได้อันตรายมากอันตรายมากเหลือตายเหลือตายสงสารนะคนหญิงคนนายนะอพระที่ลาท่า น, นอาจารย์บั่นไปอนมะ สองสามวันตัวเดือนแดงได้ยินข่าวว่าตายแล้วไงตายตายอางนเมื่อข้างเรืงที่สังพงอำเภอสงคขามในอา ว, าว่านันทาตายสุกงค์สุกงคนะ์นะเพิ่งเข้ารถมือเรือตายท่านจันมั่นนะไปพิจารณาตห่างไม่ได้จะตายนะรีบหนะีรีบหนีหนาอากาศร้ายแรง ูวขาวมันจดกันนะมันจดกันนะนนนะใบม้มันล่วงลงไปมันแช่มีกลิ่นเหม็นมีเชื้อโรคมืีเลียยางจังหวัดพชรจันทบะนะุรีนะเมือนสวนยางใครมือเลียอันตมาเกิดตายนะคนบนหุ่ น, นบางสงนะ <c oughs> ยกตัวอย่างชาวไปฝากหุ่นบางสง <c oughs>